เคมีผู้ชายคนหนึ่งมาหาที่ศาลาน้ำนะไม่ได้รู้จักกันแต่ว่าก็คงมีเรื่องอยากจะปรึกษาหารือเพราะว่ามีความทุกข์ในใจตัวเองเนี่ยมีอาชีพเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายของบริษัทไอศครีมที่มีชื่อแห่งหนึ่ง ก็ดูแลจังหวัดชัยภูมิแล้วก็ขอนแก่นเขาก็มาปรารบนะว่าตอนนี้มีความวิตกกังวลเพราะว่าไอศครีมที่เขาขายนะตอนนี้มีคนซื้อน้อยลงช่วงที่มีการประกันราคาข้าวนะชาวนานได้เงินเยอะนะเขาก็ จับจายใช้สอยนะวงทั้งซื้อไอติมด้วยนะซื้อเยอะกินเยอะนะแต่ว่าพอไม่มีนโยบายประกันนะราคาข้าวราคาข้าวตกคนก็ใช้จ่ายน้อยลงนะรวมนักกินไอติมของเขาน้อยลงด้วยก็ว่าเนี่ยที่ชัยภูมิตอนนี้ก็ขายได้แค่สามสี่ล้านทั้งปีนะตลอดปี ก่อนหน้านี้ก็ขายได้มากกว่า น, นั้นและที่เขาเป็นห่วงกังวลคือว่าเศรษฐกิจมีแนวโน้มจะแย่ลงนะก็เลยกังวลว่ า, ารายรับนะจากการขายไอติมเนี่ยมันก็จะน้อยลงไปด้วยเขาก็เลยรู้สึกนะเป็นเดือดเป็นร้อน ก็เท่าที่ฟังดูก็รู้สึกว่าเขากังวลกับสิ่งที่มันยังไม่เกิดขึ้นนะสถาการเศรษฐกิจที่เขาพูดถึงเนี่ยมันหมายถึงอนาคตนะที่อยังไม่รู้เป็นยังไงแต่เขาคาดเดาว่ามันน่าจะแย่แล้วพอคิดแบบนี้เขาก็เลยเกิดความหนักอกหนักใจขึ้นมาก็เลยเตือนเขาว่าอย่าเพิ่งไป ไปคิดถึงสิ่งที่ยังมาไม่ถึงนะเพราะว่าพอนึกแล้วเนี่ยก็ชวนให้เกิดความกังวลหนักอกตักใจที่จริงเนี่ยถ้าเราคิดในแง่ที่เป็นการวางแผนเตรียมรับมืออันเนี้ยเป็นสิ่งที่ดีนะเราควรจะทำนะแต่ว่าถ้าหากว่าคิดไม่เป็นเนี่ยก็กลายเป็นเกิดความกังวลอันนี้พูเจ้าก็เคยเตือนไว้ว่า บุคคลไม่ควรตามคิดถึงสิ่งที่ลงไปแล้วด้วยอารายและไม่ถึงพะวังถึงสิ่งที่ยอกมาไม่ถึงคือคิดเนี่ยถึงอนาคตเนี่ยมันก็คิดได้สองแบบนะคิดอย่างมีสตินะมันก็ทําให้มีการวางแผนเตรียมรับมือเพื่อไม่ประมาทแต่ถ้าไม่มีสติมันก็เกิดความพะวงหรือกังวลขึ้นมา่วนส่วนใหญ่เวลาไปนึกถึงอนาคตเนี่ยก็ไม่ได้นึกอย่างมีสติเท่าไหร่เป็นนึกแล้วก็ปรุงแต่ง ให้รู้สึกแย่ขึ้นมาก็เลยเกิดความหนัก อ, อกหนักใจเกิดความทุกข์ทั้งที่มันยังมาไม่ถึงก็ให้เขาเนี่ยลองกลับมาอยู่กับปัจจุบันดูนะแล้วก็วางแผนนะกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในวันข้างหน้าอย่ามัวแต่กลุ่มอกกุ่มใจไม่ทําให้ไม่มีเรื่องไม่มีแรงที่จะทำอะไรสําหรับการรับมืออนาคต ไปเขาก็บอกว่าเขาก็เป็นคนสนใจธรรมะนะแล้วเขาก็อา่าเป็นคนที่ศึกษาธรรมนะเขาก็เชื่อในเรื่องของการนะเข้าถึงพันธิพานด้วยเราคิดว่าจุดมุ่งหมายช่วยคนเราเนี่ยก็ควรจะมุ่งไปที่นิพพานนะแต่ว่าในฐานที่เป็นคาราก็ต้องทํามาหากินนะอันนี้ก็ไม่ใช่เป็นเรื่องเสียหายอะไรก็เลยบอกเข้าไปว่า การที่เรามีนิพพานเป็นจุดหมายชีวิตนิยมนะและถ้าเราเอามาใช้ให้ถูกเนี่ยเราจะพบว่าไอ้ความทุกข์ที่เรารเผชิญอยู่ตอนเนี้เกิดความทุกข์ที่เกิดจากการทํามาหากินความทุกข์ในอาชีพเนี่ยอย่างนับว่าเล็กน้อยมากเมื่อเทียบกับกองทุกข์ที่ขวางทางนิพพานอยู่ในการที่จะทําพระนิพพยแจ้งเนี่ยมันก็หมายถึงการที่ ทำกองทุกทั้งหมดให้สิ้นไปไอกองทุกที่ว่าดนี่มันจะว่าไปแล้วนี่ก็เป็นภูเขาเลยนะที่ขวางทางนิพพานอยู่เทียบกันแล้วเนี่ยไอความทุกข์ที่เขากำลังเผชิญอยู่เนี่ยมันถือว่าเล็กน้อยมากนะถ้าความทุกข์แค่นี้นี่เขายังยังรู้สึกย่ําแย่เนี่ยก็ไม่ต้องพูดถึงเรื่องการทําพานิพานธ์แจ้งแล้วไม่ต้องพูดถึงเรื่องการทํากองทุกทั้งหมดให้หมดสิ้นไป ให้มองว่าเนี่ยถ้าเราต้องการที่จะดับทุกเนี่ยก็ให้ตระหนักว่าไอ้ความทุกที่เราเผชิญอยู่เนี่ยมันยังเล็กน้อยนะพอให้เขามองแบบนี้เขาก็รู้สึกว่าเออนะมันก็ไม่ใช่เป็นทุกข์ที่ใหญ่โตนะสารชาพูดแล้วเนี่ยการที่จะอ่าดับทุกทั้งมวลให้หมดสิ้นนี่มันเป็นเป็นเรื่องใหญ่มากไอ้ความทุกข์ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวันนี้ มันนับว่าเล็กน้อยฉั้นคนเราถ้าหากว่ามองแบบนี้บ้างนะเราก็จะรู้สึกเลย ว, ว่าความทุกข์ที่ผ่านเข้ามาในชีวิตของเราแต่ละวันแต่ละวันเนี่ยมันไม่ใช่เป็นเรื่องใหญ่โตอะไรเลยหลายครั้งเนี่ยเราสึกว่าความทุกข์ที่เกิดขึ้นกับเราแม่วาความทุกข์ในงานการความทุกข์ในครอบครัวความทุกข์ในชีวิตนะมันเป็นเรื่องใหญ่โตเสียเหลือเกินเนะพราะเราไม่ได้มองให้เห็นว่าที่จริงแล้วเนี่ยนะมันมี ทุกกองใหญ่นะที่เราต้องเผชิญอยู่ไอการที่เราเอาพระนิพพานเนี่ยเป็นจุดหมายชีวิตนี่นะมันมันมีประโยชน์ตรงนี้นะถ้าเราไม่ได้คิดแต่ว่าอ่าถือว่าเป็นเรื่องดีนะแต่ว่าไม่ได้จริงจังกับมันถ้าเราจริงจังกับมันเราก็จะพบว่ามันเป็นมันมีความทุกข์ที่รอเราอยู่ข้างหน้าที่เราต้องข้าวก้าวข้ามมันไปให้ได้ และความทุกข์ที่ว่านี่นะมันมันใหญ่มากแต่การคิดแบบนี้เนี่ยถ้าเราคิดให้เป็นเนี่ยมันก็ทําให้เรารู้สึกได้ว่าความทุกข์ที่เราเผชิญอยู่ในแต่ละวันแต่ละวันเนี่ยเป็นความทุกข์ที่เล็กน้อยนะการที่รถติดก็ดีแล้วหงุดหงิดหรือว่าการที่มีคนพูดไม่ถูกคูกเราแล้วเราโกรธนะลองคิดสักหน่อยว่าโอ ขนาดแค่นี้นี่ยังทุกข์เลยเราจะพูดถึงเรื่องนิพพานได้อย่างไรอยากจะไปนิพพานนะแต่ว่าแค่เจอความทุกข์ลมปากแค่นี้นะก็ย่าแย่ซะแล้วถ้าเรามองแบบนี้เนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าโอ้ยไอความทุกข์จากลมปากของผู้คนนี่มันเล็กน้อยมาก ทำงานไม่สำเร็จแล้วหัวฟัดหัวเบี่ยงฉุนเฉียวนะก็ลองถามตัวเองว่าเนี่ยแค่นี้ยังทุกข์แล้วจะไปนิพพานได้อย่างไรนะเพราะว่าอั น, นิพพานนี่กว่าถึงนิพพานนี่มันต้องเจอกับทุกข์ที่หนักหนาสาหัสกว่านี้เยอะนการที่เราเอาพระนิพพานเป็นจุดหมายชีวิตเนี่ยมันนนอกจากจะทําให้เรามีทิศทางในการใช้ชีวิตแล้วเนี่ยยังทําให้เราน สามารถจะรับมือกับให้ความทุกข์ต่างๆที่เกิดขึ้นกับเราได้เงินหายของหายก็นะโมโหโกโรธาหรือว่าเสียอกเสียใจอะ่ะนะหรือว่าคนรักเขาทิ้งเราไปก็เสียใจนะจนกระทั่งกินไม่ได้นอนไม่หลับแต่ถ้าลองนึกสัหน่อยว่าโอนะ้แค่นี้นี่เรายังย่ำแย่เนะ แล้วจะแล้วจะมีกําลังเนี่ยนะก้าวข้ามกองทุกข์ให้ไปถึงพระนิพพานได้อย่างไรนะพยายามที่จะทําให้นะไอความทุกข์ที่เราเผชิญอยู่เนี่ยนะมันมันกลายเป็นเรื่องเล็กน้อยไปนะอย่าให้มันเป็นเรื่องใหญ่นะแต่ว่านักปฏิบัติเนี่ยเดี๋ยวนี้นะจานวนไม่น้อยเนี่ยนะก็เป็นทุกข์กับเรื่องเล็กเ ล, กเลก็น้อยน้อย พูดไม่ถูกหูบ้างละ่ะนะหรือว่าอข้ามหน้าข้ามตาบ้างไอ้สิ่งเหล่านี้เนี่ยนะมันเป็นเรื่องที่เล็กน้อยมากแต่ว่านักปฏิบัติเนี่ยพออยู่ในพออยู่ในออยู่ในวัดเนี่ยไม่ค่อยมีไม่ค่อยเจอเรื่องกระทบมากพอไม่ค่อยเจอเรื่องใหญ่ใหกระทบเนี่ยเรื่องเล็กๆก็เลยกลายเป็นปัญหา กลายเป็นเรื่องที่ทําให้หงุดหงิด ร, ร, รําคาญใจแล้วถึงขั้นร้อนอกร้อนใจเหมือนกับเหมือนกับพื้นหรือว่าโต๊ะเนี่ยนะที่สะอาดเนี่นะเพียงแค่มีฝุ่นหรือเพียงแค่มีจุดดาๆจุดเล็กๆเนี่ย ก, ก็กลายเป็นสกรปรกขึ้นมาได้ไม่เหมือนกับโต๊ะที่หรือพื้นที่มันมีของสกรปรกเยอะหรือว่ามีของมีขยะวางกองอยู่มากมายเนี่ยไอ้จุดเล็กๆนี่กลายเป็นจุดที่ไม่มีความหมายเลย แต่พอมาสะอาดมากเนี่ยนะจะเป็นพื้นโตก็ดีจะเป็นพื้นอ่าพื้นห้องก็ดีนะจุดดำํดำๆรอยขวนเล็กๆ เ, เ, เนี่ยก็กลายเป็นเรื่องที่ลาคาญใจลาคาญตาได้นอกปฏิบัติเนี่ยหลายคนจะเป็นอย่างเงี้ยก็คือว่าเป็นทุกกับเรื่องเล็กๆน้อยๆนะเพราะว่าไม่เคยได้เจอเรื่องใหญ่เรื่องโตเท่าไหร่ไม่เหมือนกับชาวบ้านนะชาวบ้านนี่เขาทํามาหากิน เขาเจอเรื่องกระทบเยอะนะเรื่องเขาอาจจะเป็นพอขาบาดตายก็ได้เช่นเรื่องการไม่รู้วจะเอาเข้าวจะหาอะไรมาใส่ปากวันนี้หาอะไรมาใส่ปากวันพรุ่งนี้นะบ้านนี้จะมีที่อยู่หรือเปล่านะจะถูกไล่หรือเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ปัญหาเขาเนี่ยเจอปัญหาใหญ่ๆนะไอ้เรื่องคําพูดจาที่กระทบกระทั่งกันมันกลายเป็นเรื่องเล็กน้อยไปเลย แต่พวกเราเนี่ยพออยู่ในอยู่ในวัดเนี่ยนะไม่ค่อยเจอเรื่องที่มันเป็นอ่าเรื่องสําคัญนะคอขาดบาดตายหรือเป็นเรื่องความเป็นความตายเท่าไหร่มีกินนะมีอยู่มีอาศัยพอเจอเรื่องเล็กๆน้อยๆนะมันก็เลยนะหัวฟัดหัวเวียงแล้วพอติดเพราะว่าเป็นทุกข์กับเรื่องเล็กๆในน้อยนี่แหละนะไอ้ความคิดที่ว่าไอ้ความหวังว่า จะได้พ้นทุกจะได้นิพพานเนี่ยก็มันกลายเป็นเรื่องไกลไปเลยงั้นทนเรานี่ถ้าหากว่าเรามีความจริงใจนะกับพระนิพพานนะว่าเป็นจุดหมายของชีวิตรเราจริงๆเนี่ยนะมยทาให้เราเนี่ยนะสามารถจะรับมือกับความทุกข์ความขัดอกขัดใจต่างๆได้แทนที่จะหัวเสียนะกับสิ่งที่มากระทบใจ เรื่องเล็ ก, ลกๆน้อยๆ น, นะก็กลับรู้สึกว่าเออมันเป็นมันเป็นเครื่องที่จะมาช่วยขัดใจเราให้สะอาดช่วยขัดกิเลสให้เบาบางเอาความรู้สึกขัดอกขัดใจเนี่ยนะนะมาใช้เป็นประโยชน์ซะมากลายเป็นเครื่องขัดใจให้สะอาดะขัดกิเลสให้เบาบางขัดทัดั ต, ตาขัดอัตตาให้มันเอาบางเบาลงนะ ให้ลองคิดแบบนี้บ้างนะเพราะว่านั่นแหละคืออหนทางที่จะเข้าใกล้พระนิพพานนะแต่สำหรับหลายคนเนี่ยก็จะรู้สึกว่าเรื่องพระนิพพานเป็นเรื่องไกลตัวนะคนสมัยก่อนเนี่ยเขาอาจะไม่ได้คิดไปไกลถึงเรื่องนิพพานนะแต่ว่าเขามีอีกอย่างนี้ที่ทําให้เขาเกิดความยับยั้งชั่งใจนะก็คือนึกถึงนรกนะคนเราขั้วกันเลยนะนิพพานกับ น, นรกนี่มันอ่าเหมือนกับมันยิ่งกว่สวรรค์กับ hell เลยนะ มันดีกาคิดถึงเรื่องนรกนี่มันก็ช่วยทําให้คนนี่ไม่กล้าทําชั่วนะเวลาโมโหโกรธาเนี่ยอยากจะทําอยากจะว่าร้ายทําร้ายนะแต่ว่าพอนึกถึงนรกขึ้นมาเนี่ยก็ทําให้ไม่กล้านะแต่คนสมัยนี้ก็ไม่ค่อยนึกถึง <c oughs> ไม่ค่อยนึกถึงนรกเท่าไหร่ละไม่ค่อยเชื่อเรื่องนรกนะพวกเราหลายคนก็คงไม่เชื่อเรื่องนรกนะจริงจริงนรกนี่มันก็ช่วยป้องกันไม่ให้คนทําชั่วนะ แต่ว่าสําหรับพวกเราเนี่ยเรื่องการทําชั่วนะการผิดศีลเนี่ยคงจ ะ, ะไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะแต่มันมีปัญหาอื่นมาแทนคือความทุกข์ความทุกข์ที่เจอการกระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ใจนะเช่นคําต่อว่าดาทอหรือว่าการสูญเสียพัดพลาดหล่นตั้งความเจ็บความป่วยนะไอ้ทุกข์เพราะทำชั่วนี่คงไม่ค่อยมีนะแต่ทุกข์เพราะว่า มันเจอความผันผวนโปรนแปรเจอกับเรื่องที่เป็นอนิถารมอนิถารมคือเสื่อมลาบเสื่อมยศนะหรือว่าทุกข์รวมทั้งดินทาเนี่ยอันนี้ก็เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นนะกับคนดีมีศีลธรรมคนที่ไม่มีศีลเนี่ยนะมันก็เจอปัญหาอีกแบบหนึ่งปัญหาเรื่องการเจออนิถารมนี่ก็ใช่นะแต่ว่าก็อาจจะต้องเจอกับเรื่องที่ รับผลกรรมเหอนความการทำความชั่วแต่ถึงไม่ทำชั่วเนี่ยนะถึงแม้ว่ามีศีลเนี่ยมันก็ยังหนีความทุกข์ไม่พ้นนะความทุกข์ที่จะเกิดจากความพัดพรากนะความสูญเสียอันนี้เราพัดพรากจากสิ่งที่รักแล้วก็ประสบกับสิ่งที่ไม่รักนะก็เป็นเรื่องที่คนดีมีศีลธรรมก็ยังต้องเจออย่าไปคิดว่า ทำดีมีศีลธรรมแล้วเนี่ยนะมันไม่ไม่เจอทุกนะมันก็ต้องเจอนะการประสบกับสิ่งที่ไม่รักพัดพาจากสิ่งที่รักนะทำดีแค่ไหนก็ต้องนะมีวันสูญเสียคนรักนะถ้าไม่จากเป็นก็จากตายนะจากเป็นคือว่าจากวที่ยังเป็นเป็นกันอยู่หรือไม่ก็เพราะว่าความตายมันพรากออกไปความสูญเสียทรัพสมบัติหรือว่ า, าหน้าที่การงาน ทำดีก็มีสิทธิ์ตกงานนะเพราะว่าเศรษฐกิจมันไม่ดีก็ตกงานได้หรือว่าถูกลดตําแหน่งลดอ่าเงินเดือนอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ทั้งนั้นนะหรือว่าอค้าขายนะได้กําไรน้อยลงนะอย่างเจ้าหน้าที่ขายติมคนนั้นเนี่ยอันนี้ก็เป็นปัญหานะที่เกิดขึ้นนะเกิดเกิดขึ้นได้กับทุกคนนะแม้ว่า จะไม่ได้ทำชั่วแม้ว่าจะรักษาศีลก็ตามยังไม่ต้องพูดถึงปัญหาในครอบครัวที่เกิดจากการเข้าใจผิดกันปัญหาเรื่องลูกไม่มีที่เรียนนะความเจ็บความป่วยนี่ก็อันหนึ่งนะเป็นตัวใหญ่ในความทุกข์เหล่านี้เนี่ยนะมันจะกลายเป็นเรื่องใหญ่นะหากว่าเราไม่รู้จักมองให้เป็น ในการที่เราเอาพระนิพพานเนี่ยเป็นเป็นที่หมายของชีวิตเนี่ยมันทาให้เรารู้สึกเลยว่าปัญหาเหล่านี้เนี่ยมันเป็นเรื่องเล็กนะมันเป็นคล้ายๆว่าเป็นแบบฝึกหัดนะที่จะเราต้องรู้จักใช้นะเพื่อก้าวข้ามมันให้ได้มาเหมือนกับเนินเนินดินนะที่ที่ทมไม่ได้กับภูเขาลูกใหญ่ใหญ่อย่างเช่นภูเขาหิมาลายนะถ้าเนินดินเลยเรายังฆ่าไม่พ้นนะ ยังยังท้อแท้นะไม่มีแรงข้ามนะแล้วจะนับภาษาแล้วการข้ามภูเขาที่สูงนะหลายกิโลเมตรนะอันนี้หลายคนเนะี่ยอย่างที่บอกนะว่าอาจจะไม่เชื่อลิทธิพราแล้วแล้วก็นรกก็ไม่เชื่อนะก็ลองให้นึกถึงอันหนึ่งนะเป็นเครื่องเตือนใจนะคือความตายคนเราทุกคนต้องตายนะ ไม่ทุกคนนะที่จะเข้าถึงนิพพานได้น้อยมากแต่ว่าที่แน่ๆคือเราทุกคนต้องตายแล้วต้องถามตัวว่าเราอยากจะตายแบบไหนเนะี่ยอยากจะตายแบบทุรนทุรายหรือเปล่าหรือว่าอยากจะตายแบบสงบตายดีนะคนเราเนี่ยอาจจะเกิดมาแตกต่างกันไปนะแต่ว่าทุกคนก็อยากจะจบสวยนะจบสวยคือตายดีตายไม่ทุรนทุราย ความตายนี่นก็มีประโยชน์นะถ้าเรานึกให้ดีเนี่ยคือเวลาเราเจอปัญหาเจออุปสรรคเนี่ยนะเงินหายก็เสียใจนะพลาดพลาดจากคนรักก็เป็นทุกข์เนี่ยงานการไม่สำเร็จก็นะกระสับกระส่ายกลุ่มอกกุ้มใจลองคิดแบบนี้ก็ได้ว่าถ้าแค่นี้นี่เรายัางทุกข์เนี่ย และพอเราเจอความตายเนี่ยเราจะตายสงบได้ยังไงนะเพราะแค่เลื่อนแค่นี้นี่ก็ยังอทุรนทุรายไอตอนที่เราจะตายนี่มันมันหนักกว่านี้เยอะนะทุกขเวทนาทั้งหลายนี่ก็พังพรูเข้ามาบางทีก็เรียกว่าไม่มีส่วนไหนที่ไม่ปวดเลยนะหลวงพ่อมเขียนในตอนที่ท่านใกล้มรณะภาพเนี่ยท่านท่านก็บอกนะบอก หมอบอกลูกเสียว่าเนี่ยไม่มีตรงไหนที่ไม่ปวดเลยไม่มีตรงไหนที่ไม่รู้สึกเจ็บ ค, คล้ายๆหลวงปู่ดูเลยนะหลวงปู่ดู่ว่าสกแกเนี่ยวันที่ท่านจะมาเราภาพเนี่ยท่านก็บอกรู้สึกเนี่ยว่าเห็นท่านเห็นท่านอย่างเนี้นะที่จริงเนี่ยไม่มีส่วนไหนที่ท่านไม่ปวดเลยนะมันปวดไปเรียกว่าทุกขุมขนเลยแต่ว่าท่านก็สามารถจะรักษาใจปกติได้เพราะท่านฝึกมาในการที่คนเราเนี่ยนะ จะสามารถตายดีได้เนี่ยนะมันต้องผ่านการฝึกฝนนะแล้วเราจะฝึกฝนจากอะไรนะก็ฝึกฝนจากอุปสรรคที่ผ่านเข้ามาในชีวิตฝึกจากความทุกข์นั่นแหละที่ไม่ว่าจะเป็นความขัดอกขัดใจนะความสูญเสียความพัดพลาดความไม่สมหวังไอ้พวกนี้เนี่ยอย่าไปมองว่าเป็นคร อ, อนนะไปมองน่าจะมองว่า นะมันคือสิ่งที่จะมาฝึกเราถ้าเราสอบตกถ้าเราไม่ผ่านนะกับเรื่องแค่นี้เนี่ยและพอถึงเวลาตายเนี่ยนะเราจะตายสงบได้อย่างไรนะเพราะว่าเวลาตายเนี่ยมีเท่าไหร่ก็หมดนะถูกกองไปแสนนึงก็ยังกลุ่มอกกลุ่มใจกระวนกระวายหรือว่ากินไม่ได้นอนไม่หลับและตอนตายนี่จะทำใจสงบได้งไงเพราะว่า มันจะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เสียแค่แสนนะมีล้านก็เสียล้านมีสิบล้านก็เสียสิบล้านมีร้อยล้านก็เสียร้อยล้านมีอะไรก็หมดนะต้องพัดพร่างหมดนั้นอให้ลองนึกเสว่านนะไอสิ่งความทุกข์ที่มันเกิดขึ้นกับเราเนี่ยนะอย่าไปตี อ, อกชกหัวกับมันมากนะเพราะว่าถ้าแค่นี้ยังผ่านไม่ได้ แล้วเจอนะกับความสูญเสียทั้งมวลในเวลาตายเนี่ยเราจะทำใจได้อย่างไรนะถ้าทำใจไม่ได้นี่ก็ตายไม่สงบนะและแถมตายแล้วไปไม่ดีด้วยบางคนอาจจะไม่เชื่อนะเรื่องชีวิตหลังตายหรือว่าสุกติภพหรือว่าทุกติภพนะแต่อย่างน้อยเนี่ยไอ้ที่แน่คือวยตอนที่ยังมีลมหายใจเนี่ยนะถ้าหากว่าไม่รู้จักฝึก ใจไว้เลยนะเวลาจะตายมันทุรนทุรายนะเพราะว่าความรู้สึกกลัวที่จะต้องสูญเสียหรือทําใจไม่ได้ที่จะต้องสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างที่มีทรัพย์สมบัติคนรักนะพะ่อแม่ลูกเมียผัวนะนี่ไม่นับทุกขเวทนานะทุกขเวทนาที่ตามมานะมั น, ะมนเดอยวไปคิดว่ายาเนี่ยเอาอยู่นะ หมอเก่งๆหลายคนเนี่ยนะพอถึงเวลาตายก็ทุรนทุรายเพราะว่าไอ้ยาที่มีอยู่นี่ช่วยไม่ได้เลยหรือช่วยได้น้อยมากลองนึกถึงความตายไว้บ้างนะแม้ทำให้ความทุกข์ที่เราเจอในวันนี้เนี่ยมันกลายเป็นเรื่องเล็กที่จริงคนที่ฉลาดเนี่ยเขาจะเอาความตายเนี่ยมาเป็นเครื่องนะฝึกใจ ให้ปล่อยวางที่จริงเนี่ยมันไม่ต้องฝึกเลยก็ได้นะเพราะว่าถ้าเราเรารู้ถึงความตายจริงเนี่ยไม่ทำให้ปัญหาต่างๆที่เราเจอมันกลายเป็นเรื่องเล็กไปเลยขนาดคนอย่างสตีฟจอบยังบอกเลยนะสตีฟจอบนี่เ ก, ก็เป็นคนที่ผลิตนะคิดค้น Apple iPhone i ไอ n e i ไ o d อะไรยะๆไอแ ดูเหมือนว่าเขาเป็นคนที่ใช้ชีวิตทางโลกนะมากกว่าทางธรรมนะแต่ว่าเขาก็ยังพูดไว้น่าสนใจบอกว่าในความหวังความเทยทียายความกลัวหน้าแตกความกลัวล้มเหลวเนี่ยมันหายไปหมดเลยนะเวลานึกถึงความตายเขาพูดตอนที่เขาเนี่ยพบว่าตัวเองเป็นมะเร็งในตับอ่อนแล้วเขาก็รู้สึกเลยพบตัวเองว่าเวลาถึงความตายเนี่ยไอ้ความทุกข์ที่เกิดจาก ความล้มเหลวความน่าแตะความกลัวจะอะไม่ประสบความสําเร็จนะไอ้พวกนี้มันกลายเป็นเรื่องที่เล็กน้อยจิ๊บจอยหรือว่าเลือนหายไปทันทีนะเมื่อนึกถึงความตายเวลาทะเลาะ ก, กับใครเนี่ยนะโมโหโกรธาฉุนเฉียวเนี่ยนะลองนึกถึงความตายดูบ้างว่าลองนึกถึงความตายของตัวเองนะไม่ใช่อของใคร เราจะรู้สึกว่าโอ้ยเรื่องที่ทะเลาะกอันนี่มันกลายเป็นเรื่องเล็กน้อยไปเลยหรือจะมองในแง่นี้ก็ได้นะว่าโอ้เรื่องแค่นี้ไม่ผ่านนะทุกแค่นี้ยังไม่ผ่านแล้วเจอทุกเวลาตายจะจะตายดีได้งไงจะจบสวยได้อย่างไรนะพราอมาเป็นเรื่องการทําใจล้วนๆนะแล้วมาคิดดูดีๆนะเออ่ความตายนี่มีประโยชน์นะถ้าเราถ้าเรานึกให้เป็น มันช่วยทาให้เราสามารถที่จะผ่านอุปสรรคผ่านความทุกข์ต่างๆไปได้เลือกผ่านฉลุยเลยนะเพราะว่าพอนึกถึงความตายขึ้นมาปัญหาทั้งหลายทั้งมวลเนี่ยมันจะกลายเป็นเรื่องเล็กไปเลยเพราะไม่มีอะไรที่จะเป็นทุกข์ที่ใหญ่กว่าความตายแล้วนิพพานก็ดีเนี่ยความตายก็ดีเนี่ยนะมันเอ่อเป็นเป็นสิ่งที่เรา นะเอามาใช้นะในเวลาเผชิญความทุกข์ได้ดีนะถ้าเป็นคนที่สนใจธรรมะฝ่ายธรรมะเนี่กนะ็ให้เราเลกถึงพระนิพพานเอาไว้นะแต่ถ้าเป็นคนโลกโลกเนี่ยนะรู้สึกว่านิพพานเป็นเรื่องไกลตัวหรือบางทีอาจจะไม่คิดว่าเป็นมีจริงเลยก็ลองนึกถึงความตายดูบ้างนะมันเป็นสองอย่างนะที่มันเป็นเหมือนเครื่องมือนะที่จะเอามาใช้ในการ อ่ารับมือความทุกข์ได้เดีย๋ยวน้อยๆก็ทําให้เรารู้สึกว่าไอ้ความทุกข์ที่เจอเนี่ยมันไม่ได้ยิ่งใหญ่อะไรเลยมันเป็นเรื่องจิตจอยมากหลายคนเนี่ยอาจจะบอกว่าฉันนี่อยากจะอมีนิพพาน เ, นเป็นเป้าหมายชีวิตนะแต่ว่าก็ไม่ได้จริงจังนะกับนิพพานเท่าไหร่แต่ถ้าลองนึกถึงความตายดูนะความตายเนี่มันเป็นของจริงแล้วก็ใกล้ตัวมาก นิพายดูเหมือนไกลตัวนะแต่นีิแต่ความตายนี่มันใกล้ตัวเราใกล้ตัวมากๆเลยนะมีพาะสิทธิเบรย์บอกว่าไม่มีใครรุ่นหลอกนะระหว่างชาตินี้กับระหว่างพุ่งนี้กับชาติหน้าอะไรจะมาก่อนอย่าไปคิดว่ามีพุ่งนี้แล้วค่อยมีชาติหน้านะเพราะว่าพ้นจากวันนี้ไปก็ จ, จะชาติหน้าเลยมันใกล้มากในความใกล้ ของความตายเนี่ยนะมันทำให้เราเนี่ยต้องนะรู้จักนะฝึกฝนนะทั้งเตรียมตัวแล้วก็เตรียมใจเราเตรียมใจจากอะไรนะเตรียมใจส่วนนึ่งก็จากการปฏิบัติธรรมจากการเจริญสติการภาวนานะอีกส่วนนึงก็คือนะจากการรู้จักนะผ่านความทุกข์ต่างๆไปให้ได้นะ อย่าไปรอคิดว่าคุณจะแก้ทุกข์ให้เราอย่าไปคิดว่าคุณหนเขาจ ะ, ะทำดีถูกใจเรามันเป็นความหวังลมลง้ลงแรงๆนะถ้าหากจะให้คนทุกคนทาดีกับเราหรือว่าทำสมใจเราต้องลองนึกว่าถึงแม้จะไม่มีใครนะทำดีกับเราเลยเนี่ยแต่เราก็สามารถที่จะรักษาใจให้เป็นสุขได้ เพราะว่าเรารู้จักวางใจนะรู้จักปล่อยรู้จักวางนะเห็นว่าความทุกข์ที่มันเกิดขึ้นกับเรานะมันเป็นเรื่องเล็กน้อยความตายนี่เป็นเครื่องที่เตือนให้คนที่เข้าหาธรรมะได้ดีนะผู้เ จ, จ้าตรัสว่าเนี่ยมีคนอยู่สี่ประเภทซึ่งพระองค์เปรียบได้กับมาสี่จำพวกนะประเภทแรกเนี่ยน ะ, ะเวลาคนเวลาสารถีเนี่ย แค่ยกประตักและมานี่เห็นเงาประตักนะประตักเนี่ยคืออเหมือนกับของแหลมที่ใช้ทิมนะใช้ทิมใช้ทิมสัตวสัตว์ใหญ่จะเป็นม้าจะเป็นวนะัวควายเพราะว่าบังคับมันจะตีมันมันก็เฉยนะต้องเอาประตักทิมมาประเภทแรกเนี่ยแค่เห็นเงาประตักเนี่ยมันก็รู้แล้วว่าจะเลี้ยวซ้ายเลี้วขวาหรือจะตรงไป ประเภทที่สองที่ต้องโดนทิมก่อนนะมันหนึงจะรู้ว่าควรจะไปทางไหนประเภ ท, ทสานี้ทิมเเดียวไม่ได้ไม่พอต้องทิมไปถึงเนื้อนะมันหนึ่งจะรู้แล้วก็ทําตามคนขับสารถีประเภทสี่ต้องทิมไปถึงกระดูกเลยเนี่ยถึงจะรู้มาสี่ประเภทนี้ก็เป็นเรื่องคนสี่จำพวกนะจําพวกแรกเนี่ยคือว่าคนที่เพียงแค่ได้ยินว่ามีคนตายเนี่ยก็เกิดความ ตื่นตัวตื่นตัวว่าเออสักวันหนึ่งเราก็จะต้องตายเหมือนกันเพราะนั้นเนี่ยต้องเล่งปฏิบัติธรรมประเภทที่สองเนี่ยนะต้องเห็นคนตายก่อนนะถึงค่อยเกิดความสังเวชแล้วตื่นตัวเข้าหาธรรมะประเภทที่สามเนี่ยต้องมีคนรู้จักคนใกล้ตายซะก่อนจะเป็นพี่เป็นน้องเป็นพ่อเป็นแม่เป็นคนรักนะ ถึงค่อยเกิดความตื่นตัวเข้าหาธรรมปฏิบัติธรรมประเภทสีเนี่ยตัวเองต้องใกล้าตายกว่านนะัหรือความตายมาประชิด ต, ตัวเนี่ยถึงค่อยตื่นตัวเราถามตัวเองว่าเราจัดอยู่ในคนจำพวกไหนนะถ้าเราจัดอยู่ในคนจำพวกแรกเนี่ยนะก็หมายความว่าเราตั้งตัวอยู่ในความไม่ประมาท อย่าไปมัวทุกข์ง่ายนะกับเรื่องที่มันไม่เป็นเรื่องนะหรือว่าเรื่องที่มันเป็นแค่อ่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นสามัญบางทีเวลาเราเจอความทุกข์เราก็สุขทุกข์ของเราเรื่องเป็นเรื่องใหญ่นะใหญ่โตมากแต่นั้นพราะเราไม่ได้คิดว่ามันมีความทุกข์ที่รอเราอยู่ข้างหน้าและที่ใหญ่สุดนะก็คือความตายนะ ไม่ว่าจะประสบความสำเร็จสมหวังแค่ไหนในสุดก็ต้องตายนะสมัยนี้มันไม่ได้ว่าไม่ใช่แค่ว่าจะตายแบบทันทีทันควันนะประมาณเกสิเปอร์เซนตนี้ตายแบบทรมาร์ตตายแบบเยืดเยอเรื้อรังเช่นเป็นมะเร็งโรคหัวใจเบาหวานไตาวายนะเป็นปีนะในระหว่างนั้นก็มีทุกขเวทนามากมายถ้าเราไม่ถ้า เราไม่ฝึกเอาไว้เลยนะถึงตอนนั้นก็ทุกทรมานตายไม่ดีจบไม่สวยแล้วเราจะฝึกจากอะไรนะก็ฝึกจากการปฏิบัติสมาธิภาวนาแล้วก็ฝึกจากการที่รับมือกับความไม่สมหวังในชีวิตนะรับมือกับความพัดพลาดความสูญเสียเนะนี่ไอ้พวกนี้ล้วนแล้วแต่เป็นการบ้านนะที่ทยอยมาเพื่อฝึกเราให้เรามองแบบนี้ว่ามันเป็นสิ่งที่ ะชะตากรรมส่งมาเพื่อฝึกให้เรามีความฉลาดในการออกจากทุกข์มีความฉลาดในการปล่อยวางนะและความฉลาดนี่แหละนะเราจะได้มันจะมีคุณค่ากับเรามากเพราะถึงเวลาที่เราเจอทุกข์ก้อนใหญ่ๆนะหรือว่าเจอภูเขาแห่งความทุกข์เราก็สามารถจะก้าวข้ามมันไปไดนะ้เพราะว่าเราได้ฝึกมันแล้วนะเราได้มีความจัดเจนมา าการที่คนเรานี้มีชิดราบลื่นเนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าจะดีเสมอไปนะการที่มีชิดราบรื่นนี่มันก็สามารถจะเป็นความเสี่ยงได้เพราะว่าไม่ได้ฝึกนะไม่ได้ฝึกวิชาไม่ได้ฝึกทักษะในการที่จะแก้ทุกหรือออกจากทุกเลยเพราะชิดมันราบเรียบเกินไปแล้มันก็เด็กที่ไม่ค่อยไม่ค่อยได้เจ็บไม่ค่อยได้ป่วยนะเด็กที่ไม่ค่อยเจอเชื้อโรคเนี่ย จะเป็นโรคนั้นโรคนี้นี่เยอะมากเด็กอเด็กอนามัยจัดเนี่ยจะเป็นโรคสารพัดเลยนะโรคแพ้โรคมือปากโรคมือเท้าปากนะโรคแพ้หลายอย่างเพราะว่าเขาไม่เคยได้เจอเจอเชื่อโรคแต่เด็กที่เขาเจอเชื่อโรคมาบ่อยๆเนี่ยเขาเล่นกับดินนะหรือว่ากลืนน้ําคลองไปอันเนี้ย เขาจะมีภูมิต้านทานเชื้อโรคทําให้สามารถจะรับมือกับเชื้อโรคต่างๆได้ให้โรคแพ้เพิ่มไม่ค่อยได้เจอเท่าไหร่าการที่คนเราเจอความทุกเนี่ยมันมีประโยชน์นะให้มันดาหน้าเข้ามาเพราะว่ามันจะฝึกให้เราเนี่ยมีภูมิคุ้มกันความทุกมันทําให้เรามีปัญญานในการออกจากทุกมันทําให้เรามีความมีจิตใจที่เข้มแข็งและทั้งหมดนี้เนี่ยนะ มันจะมีเปรี่ยนกับเราในการเจอทุกนะกองใหญ่ๆที่จะตามมาในวันข้างหน้าเช่งความเจ็บความป่วยนะรวมทั้งความตายนะถึงแม้ว่าจะไม่จะยังนิพพานไม่ได้นะแต่ว่าไอการตายดีก็จะเกิดขึ้นได้นะเพราะฉะนั้นให้เอานะเอาความทุกข์ที่เกิดขึ้นกับเราในวันนี้เนะมาเป็นเครื่องฝึกใจนะ ไม่ใช่ว่าพอมีอะไรมากระทบนะก็ปล่อยใจไปตามอารมณ์นะอันนั้นเนี่ยเรียกว่าจะเรียกว่าสอบตกนะแล้วก็ถ้าสอบตกบ่อยๆเนี่ยนะพอถึงเจอสอบครั้งใหญ่เนี่ยมันก็ตกอีกนะแต่ถ้าเราสามารถผ่านมันไปได้นะเราก็จะมีความมั่นใจนะในการที่จะผ่านบททดสอบที่สำคัญที่สุดนะในชีวิตนะ นั่นคือความตายเอาล่ะเอาคำนี้ก็พูดกันเท่านี้กราบพระ